วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบิษัทผู้ไข่ธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษา มาเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนากันเรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องราวของการดับความทุกข์ทางใจพระพุทธศาสนานี้มีหน้าที่ช่วยสอนให้สัตว์โลกดับความทุกข์ทางใจที่ไม่ใช่เป็นความทุกข์ทางร่างกายเป็นความทุกข์ที่เกิดในใจ และเป็นความทุกข์ที่จะต้องใช้วิธีดับทุกข์ของทางใจถึงจะดับได้พระพุทธศาสนานี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปก็มีไว้สำหรับรักษาโรคภัยทางร่างกาย เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปหายามารับประทานโรคภัยทางร่างกายถึงจะหายไปได้โรคภัยของจิตใจก็คือความทุกข์ใจต่างๆนั่นเองความทุกข์ใจที่เกิดจากความเครียดความ เศร้าโศกเสียใจความหวาดกลัวความวิตกกังวลความทุ้งร้านเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องของความทุกข์ทางใจที่ไม่มีโรงพยาบาลหรือยาต่างๆที่โรงพยาบาลมีสามารถมารักษา โรคทางใจได้ถ้าต้องการที่จะบําบัดทําจัดโรคทางใจคือความทุกข์ต่างๆจําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลของใจ<ม>โรงพยาบาลของใจก็คือพระพุทธศาสนานี่เองไปหาแพทย์<ม>แพทย์ที่จะรักษาและยาที่จะให้ คนไข้นำมาไปรับประทานก็คือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นี่เองพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนพระอริยสงฆ์สาวกนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นแพทย์สาขาแขนงต่างๆแล้วก็ธรรมะ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจเวลาที่เรามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจเราก็ไปหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปหาพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะไปรับยาจากพระพุทธศาสนาคือพ็ทําคํคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า มาใช้บาบัดกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราเมื่อเราได้นำมายาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระวิริยสงฆ์สาวกมารับประทานความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดนี่คือ เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนโรงพยาบาลโรงพยาบาลทางใจไม่ใช่โรงพยาบาลทางร่างกายถ้าร่างกายไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลทางร่างกายเช่นถ้าฟันมีปัญหาปวดฟันก็ต้องไปหาหมอฟันถ้าตามีปัญหาก็ต้องไปหาหมอตา ถ้าอวัยวะต่างๆของร่างกายมีปัญหาก็ต้องไปหาแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาโรคภัยของทางร่างกายฉันใดถ้าเรามีความทุกข์ทางใจเราก็ต้องไปหาแพทย์ที่รักษาโรคทางใจแพทย์ที่รักษาโรคทางใจก็คือพระพุทธเจ้า และพระอริยสงสาวกทั้งหลายชวนยาที่แพทย์จะมอบให้กับคนไข้ก็คือธรรมโอสถก็คือคําสั่งคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้หรือคําสั่งคําสอนของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเพราะว่า พระพุทธเจ้าก็ะดีพระอริยสงฆ์สาวกกระดีนั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติวิธีดับความทุกข์ของใจได้สำเร็จได้รับปริญญา mm hmm. ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งบ่วงแล้วรู้จากวิธีการดับความทุกข์อย่างถูกต้อง mm hmm. ถ้าไป หาพระพุทธเจ้าก็ดีหรือหาพระอริยสงสาวก็ดีเราก็จะได้ธรรมโอสฐ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะมาบำบัดกำจัดความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดสิ้นไปวิธีเข้าหาพระพุทธเจ้าก็คือต้องเข้าหาผ่านทางพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้เป็นที่บรรจุ ก็ทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันนับตั้งแต่2เดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุธรรมได้ตัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รักษาโรคใจของพระองค์ให้หายสนิทแล้ว อ, องก็ส่งประกาศเปิดโรงพยาบาลเปิดโรงพยาบาลเพื่อรับคนไข้ที่มีโรคทางใจให้เข้ามารับการรักษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยการแสดงธรรมให้กับผู้ที่มามามารักษาส่งสอนวิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละ บุคคลให้นำเอาไปปฏิบัติตามขั้นตามตอนและสามารถช่วยรักษาให้คนไข้ที่มีโรคทางใจนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นพระอริยสงสาวุกขขึ้นมาเป็นเป็นผู้ที่จะช่วยพระพุทธเจ้า รักษาโรคภัยทางใจให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้หายจากความทุกข์ต่างๆ mm hmm. การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง mm hmm. ก็จะมีภาพภิกษุที่จะเอามาจดจำด้วยการทำเป็นบทสวดมนต์นี้เองบทสวดมนต์ส่วนใหญ่นี้จะเป็นพระสูตรคือ การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งเช่นพระสูตรที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกก็เรียกว่าธรรมจักกับปวัตตนสูตรซึ่งถ้าเราไปปฏิบัติธรรมตามสำนักตามวัดวาอารามต่างๆเรามักจะได้สวดมนต์บทนี้กันสวดบทธรรมจักกับปวัตตนสูตร อันนี้ก็คือคาสั่งคาสอนขั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ท่งประทานให้แก่พระปัญจวัคคีผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจหลังจากที่ได้ทรงสอนหรือให้ธรรมโอสถแก่พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข ในระดับขั้นที่หนึ่งซึ่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันซึ่งจะต้องดับกันไปเป็นขั้นๆจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สา ม, ข, สามขั้นที่สี่ตามลำดับจึงจะสามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวร คำสั่งคำสอนเป็นธรรมโอสถเราเรียกว่าธรรมคำสั่งคำสอน mm hmm. ความจริงเป็นยารักษาโรคความทุกข์ทางใจ mm hmm. ที่เวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมพระภิกษุที่ได้ยินได้ฟังก็จะเอามาจดจำกันด้วยวิธีการท่องมนุษทำ mm hmm. เป็นการสวด การสวดนี่แหละเป็นวิธีที่เราจะจดจำสิ่งต่างๆได้ถ้าเราสวดอยู่เรื่อยๆสวดอยู่ทุกวัน<ม>เราก็จะไม่หลงไม่ลืมกันพระธรร ม, มำคำสอนที่พทธเจ้าได้ทรงแสดงทุกๆวัน<ม>ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกัน<ม>ก็จะมีพระภิกษุรูปต่างๆมาช่วยกันสวดมาช่วยกันจำ แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ลาจากโลกนี้ไปก็จะมีการรวมตัวของพอระอรหันตสาวกห้าร้อยรูปขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพื่อมาทำการสังคายนาคือมาตรวจสอบมาทบทวนคำสอนที่พระภิกษุทั้งหลายได้มีการจดจำได้ท่องไว้เป็นบทสวดต่างๆให้เอามา ให้เอาพราอนานาลห้าร้อยลูปที่เป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังทมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้ว<ม>ให้มาเป็นผู้ที่มาตรวจสอบดูความถูกต้องแม่นยาของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไร ถ้ามีการคาดเคลื่อนก็จะได้มีการป ร, ปรับปรับปรุงแแก้ไขให้ถูกต้องเพราะจะมีพระอรหันต์ถึงห้าร้อรูปด้วยกันที่จะมาช่วยยืนยันมารับรองว่าคำสอนนี้ถูกต้องไหมขาดตรงไหนเกินตรงไหนนี่คือหน้าที่ของพระอรหันต์ห้ า, อ า, หารอยรูป หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปสามเดือนด้วยกัน <_ an> ก็มีการประชุมใหญ่ของบรรดาแพทย์แพทย์ที่รักษาโรคทางใจนี้มาทำการประชุมท่าสมัยใหม่แล้วก็เรียกออกมามาสัมมนามามาแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกันเกี่ยวกับคำสั่งคำสอนต่างๆ ของพระพุทธเจ้าและคำสอนเหล่านี้ก็ได้รับการรับรองแล้วก็มีการสืบทอดกันมาจากาพระภิกษุหรือภิกษุณีที่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื<ม>่อจะใช้การศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากบทส่วนต่างๆเหล่านี้มสมัยก่อนนี้การสวดนี้เป็นสวด ในภาษาของผู้ที่ที่สวดคือภาษาบาลีคนสมัยพระพุทธกาลนี้พูดภาษาบาลีกันเขาก็เลยสวดภาษาบาลีเวลาที่เขาสวดภาษาบาลีเขาก็จะเข้าใจความหมายของบทที่เขาสวดกันเหมือนกับได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระโอษของพระพุทธเจ้าโดยตรง เพราะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาสวดไปนี้เขาจึงได้ประโยชน์สองประการด้วยกันจากการสวดมนต์คือได้ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจเพราะเป็นภาษาเดียวกับที่เขาใช้และประโยชน์ที่สองก็คือได้ความสงบได้สติได้สมาธิ ที่จะทำให้จิตใจมีกำลังตั้งมั่นอยู่ในความสงบที่จะสามารถนำเอาปัญญาที่ได้จากการสวดนี้เอาไปใช้ระงับดับความทุกข์ทางใจต่างๆได้<ม>ส่วนในสมัยปัจจุบันของพวกเรานี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่เราสวดมนต์กันเราสวดภาษาบาลีกัน แต่เราเป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยกันเวลาที่เราสวดภาษาบาลีเราเลยไม่เข้าใจว่าเราสวดอะไรกันประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการสวดมนต์เราจึงได้รับเพียงครึ่งเดียวคือได้รับได้ได้รับสติได้รับสมาธิจากการที่เรามีการสวดมนต์ได้รับความสงบทางใจ แต่สิ่งที่เราไม่ได้รับก็คือเราไม่ได้รับปัญญาความรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราดับทุกข์ด้วยวิธีใดอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราขาดกันหรือขาดทุนถ้าเราไม่ไปหาคำแปลของบทส่วนมนตนะมาอ่านอีกทีนึง เราก็จะไม่เข้าใจความหมายถ้าเราอยากจะเข้าใจความหมายตามเจตนาลงของการสวดมนต์ในสมัยพระพุทธการในสมัยพระพุทธการนี้เขาใช้การสวดมนต์เป็นการศึกษาเรื่องนี<ม>้น่าเป็นการฝึกสมาธิไปพร้อมๆกัน<ม>เหมือนอย่างตอนนี้ยาติโยมมาฟังธรรมกันเราฟังด้วยภาษาไทย<ม>เราก็ ฟังไปเราก็จะได้เกิดความเข้าเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็นั่งฟังด้วยใจที่สงบใจที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจที่จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูและเข้ามาที่ใจด้วยการใช้สติดึงธรรมะให้เข้ามาในใจและใช้ การไค้ควรพิจารณาเป็นการสร้างความเข้า อ, อกเข้าใจให้เกิดขึ้นในขณะที่ฟังนี่คือวิธีศึกษาธรรมะได้ทั้งปัญญาคือความเข้า อ, อกเข้าใจและได้ทั้งสมาธิความนิ่งสงบของใจแต่ถ้าเราใช้การสวดมนต์ภาษาบาลี หลังที่เป็นธรรมเนียมที่เราทำกันอยู่ทุกแห่งทุกคนเราจะได้ประโยชน์เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นคือเราจะได้สมาธิได้สติได้ความสงบในขณะที่เราสวดมนตกันแต่สิ่งที่เราจะไม่ได้ก็คือปัญญาความเข้าอกเข้าใจในบทสวดว่าบทสวดนี้สอนให้เราประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไร ดังนั้นถ้าเราอยากจะสวดเหมือนกับในสมัยพระพุทธการเพื<ม>่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านปัญญาและทางด้านสมาธิ<ม>เราควรจะหาบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาไทยมาสวดกัน<ม>ซึ่งทางเราก็ได้ให้ญาติโยมนำมาพระสูตรสสำคัญอยู่ห้าพะสูตรด้วยกันเอามา ทิ้เป็นหนังสือที่ที่เป็นภาษาไทยคือไม่ได้เอาภาษาบาลีเข้ามาเพราะว่าอ่านไปก็จะไม่เข้าใจก็เลยเอาคำแปลของพระสูตรต่างๆ5พระสูตรด้วยกันที่มีพระธรรมจากกัปปวัตตนสูตรมีมงค ล, ลสูตรมีอนัอนตตลคณสูตร มีอาทิตย์ยาตริยายสูรมีสติปัะหานสูตรอันนี้เป็นพระสูตรหรือเป็นธรรมะโอสถเป็นยารักษาโรคใจที่คนที่มีความทุกข์ใจนี้ควรจะเอามาศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติกันเพราะเป็นเหมือนฉลากที่ติดมากับยา เวลาที่เราไปซื้อยามานี้มักจะมีฉลากติดมาด้วยมีข้อแนะนำว่ายานี้มีไว้สําหรับรักษาโรคอะไรและควรจะใช้ในปริมาณเท่าไหร่และวันละกี่เวลาเป็นต้นฉลากนี้เขาจะเขียนในภาษาที่คนใช้ยานี้อ่านแล้วเข้าใจถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่มาจากต่างประเทศ แม้ฉลากที่มากับยาอาจจะเป็นภาษาต่างประเทศแต่พอมาขายในประเทศไทยเขาก็ต้องแปลฉลากเหล่านี้ให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไข้ที่เอายาไปรับประทานนี้จะได้รู้วิธีรับประทานยาที่ถูกต้องถ้าไม่มีการแปลภาษาของคนไข้คนไข้ได้ยามาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยาอย่างไร จะรับประทานยาในปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในวันและกี่เวลาก็จะไม่รู้วิธีที่จะรับประทานยาที่ถูกต้องอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นความบกพร่องของพระพุทธศาสนาของพวกเราในปัจจุบันคือ เราได้ยามาได้ฉลาบยามาเป็นภาษาที่เราอ่านแล้วไม่เข้าใจกันถ้าเราไม่ไปหาคำแปลมาอ่านถ้าเราเอาแต่คำคำภาษาบาลีที่เป็นภาษาที่ใช้ในสมัยพระพุทธกาลนี้มาสวดกันเราก็จะไม่เข้าใจบทสวดมนต์ต่างๆว่าบทสวดมนต์เหล่านี้สอนให้เราปฏิบัติอะไรกันบ้าง เช่นในธรรมจักรกับปวัฒนสูตรเ<ม>นี่ยก็สอนให้เราสร้างมรรคแปดขึ้นมาสอนอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและการที่จะทำให้ความทุกข์ของเราหายไปนั้นจะต้องปฏิบัติอะไรอันนี้ถ้าเราอ่านคำแปลเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ ได้รู้จักวิธีที่จะเอาธรรมะคุยยารักษาโลกใจนี้เอามาใช้ให้ถูกต้องวิธี mm hmm. เมื่อเราเอามาอ่านแล้วเราเข้าใจ mm hmm. เราก็จะได้นำมาไปปฏิบัติตามฉลาด mm hmm. ลธรรมธรรม ะ, รมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนฉลาดยาที่จะให้เรา ใช้กับยาที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับเรายาที่เรียกว่าธรรมะโอสถที่จะดับความทุกข์ทางใจของเรา<ม>ดังนั้นต่อไปนี้ถ้าญาติโยมชอบสวดมนต์ลองเปลี่ยนวิธีสวดมาสวดเป็นภาษาไทยดูรับประกันว่าจะได้ปัญญามากมา ย, ยจะเข้าอกเข้าใจวิธีการของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า ว่าปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเดีย mm hmm. ลองไปหาหนังสือที่พูเนียซึ่งทางทางเรานี้ก็มีการแจกอยู่เรื่อยๆซึ่งไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือไม่ mm hmm. เป็นหนังสือที่เรียกว่าเบนจางค้าสูตรต่อ mm hmm. สูตรห้าห้าตสูตรด้วยกันที่เป็นภาษาไทยเราเอามาอ่านดูแล้วก็เอามาท่องจำไว้ แล้วเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเราก็นั่งสวดบทเหล่านี้ดูรับประกันได้ว่าถ้าเราสวดไปให้ครบพระสูตรใจของเรานี้จะได้สมาธิได้สติในระดับหนึ่งแล้วก็จะได้ปัญญาความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตัางที่ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร แล้วมันจะพาให้การปฏิบัติของเรานี้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีความเข้า อ, อกเข้าใจในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรนั้นเองลองไปหาหนังสือที่พู้นี้มาเอามาอ่านดูเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้มีที่ดาวน์โหลดให้หนังสือชื่อว่าเบนจานคาสร เป็นพศูดห้าพสูหรือมองคลลสูตรธรรมจักรกับปวัตนละสูรอ น, นัตตลักษณละสูรอธิตยะริยายะสูรแล้วก็สติปัฏฐานสูรพ mm hmm. ระสูตเหล่านี้จะสอนวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์จากสิ่งต่างๆจากเหตุการณ์ต่างๆได้ ลองใช้เอามาสวดดูจะได้ประโยชน์ยิงนกทีเดียวหนึ่งนัดกระสุนหนึ่งนัดแต่ได้นกสองตัวหรือได้สติได้สมาธิความสงบแล้วก็ได้ปัญญาความรู้ความเจริญที่จะนำอาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาใช้กับการปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือวิธีการเข้าหา ธรรมะอสดจากพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเลยธรรมะที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกเป็นธรรมะคำสอนที่เราสามารถที่จ ะ, ะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้ถ้าเรามีความทุกข์ทางใจไปอ่านหนังสือธรรมะกันจากพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ต้องเรียนจากพระไตรปิฎก เพราะประไตรปิกนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนๆไม่มีคำสอนของผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปว่าถึงแม้ว่าเร า, าศาสดาจะจากพวกเธอไปแต่พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากาศาสดาเพราะว่ า, าศาสดาของพวกเธอก็คือจะเป็นธรรมะ ธรรมะวินัยที่เราได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่เองถ้าเธออยากจะศึกษาธรรมะจากเราก็ขอให้เธอมาศึกษาธรรมะที่มีบันทึกบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกนี้<ม>เธอก็จะได้เรียนรู้จากเราโดยตรงเลย<ม>นี่คือการไปรักษาโรคใจ<ม>เราสามารถมีทางเลือกหาเลือกหมอที่เราชอบได้<ม>ถ้าเราชอบพระพุทธเจ้า เราก็ไปหาคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมาอา่านถ้าเราชอบพระอริยสงสาวกที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน <S S S เราก็ไปเลือกหาไปศึกษาไปเรียนรู้กับท่านโดยตรงหรือถ้าเราชอบอยากจะศึกษากับพระอริยสาวกที่เพิ่งจากโลกนี้ไปไม่นาน แต่มีธรรมะคาสั่งคําสอนเก็บบันทึกเอาไว้เช่นบรร ด, ดาผ้าจานต่างๆในสายหลวงปู่มั่นท่านก็จะมีธรรมะคาสั่งคาสอนที่ได้มีผู้จดจามีผู้มีการอัดบันทึกเอาไว้แล้วก็เอามาทำเป็นหนังสือทาเป็นแผ่นเสียงต่างๆให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาได้ยินได้ฟังได้ดูได้อ่าน ก็สามารถศึกษาจากบุตรคลเหล่านี้ได<ม>้ก็จะได้ธรรมโอสดคือได้ยาที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไป<ม>ธรรมโอสดที่พู้เจ้าแต่ละพระองค์หรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละองค์นี้ที่จะมอบให้กับคนไข้ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ ก็เป็นยาชนิดเดียวกันเหมือนกับเวลาที่เราไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆถึงแม้จะมีแพทย์จากการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆแต่เวลารักษาโรคชนิดเดียวกันแพทย์ก็จะให้ยาชนิดเดียวกันไม่ว่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ตามถ้าเป็นโรคเช่นไข้ว ะ, ะ, ะเบาหวาน ก็จะมียารักษาโรคเบาหวานถ้ามีความดันก็จะมียารักษาโรคความดันถ้ามีเรื่องไขมันอุดตันก็จะมียารักษาโรคไขมันอุดตันต่างๆซึ่งเป็นยาชนิดเดียวกันแพทย์ทุกคนเรียนมาจากสถานศึกษาที่เหมือนกันที่สอนวิชารักษาโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันฉันใดถ้าเราไปศึกษากับพระพุทธเจ้ารูปไหนก็ตาม หรือพระ อ, อริยสังฆสาวกองใดก็ตามทุกๆพระองค์นี้ก็จะให้ธรรมโอสถให้วิธีรักษาโรคใจให้พ้นจากความทุกข์นั้นเหมือนกันด้วยกันซึ่งคำสอนหรือธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ไม่ว่าจะมาปรากฏในยุคใดสมัยใดนี้จะสอนเหมือนกันหมดจะให้ธรรมโอสฐสามชนิดแก่ผู้ที่ต้องการที่จะ รักษาโลกของความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปจากใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกนั้นมีอยู่สามชนิดด้วยกันมีอะไรบ้างชนิดที่หนึ่งท่านสอนให้เราละการกระทาบาปทั้งปวงเพราะการกระทาบาปเป็นเหตุที่ทาให้เราเกิดความทุกข์ใจนั่นเองถ้าเราละการกระทาบาปความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้น ข้อสองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้พอมเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้จะสร้างความสุขให้กับใจใจที่ไม่มีความสุขนี้ก็เรียกว่าเป็นใจที่เป็นทุกข์ได้แต่พอใจได้สร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาความ ไม่ทุกไม่สบายใจความทุกข์ใจก็จะหายไปจากการที่ไม่มีความสุขใจและข้อที่สามให้ชำระใจให้สะอาดโดยสุดกําจัดเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์เราเรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองนั่นเองกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่จําเป็นจะต้องได้รับการ กำจัดด้วยการชำระซักพอกเหมือนเสื้อผ้าที่สกโปกนี้วิธีที่จะชำระเสื้อผ้าให้ซักให้สะอาดได้นี้ต้องเอาไปซักซักด้วยน้ำซักด้วยสุบคงซักพอกเสื้อผ้าถึงจะสะอาดถ้าจะรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดด้วยการเอาไปแขวนเอาไปตากนี้มันไม่สะอาดต้องใช้วิธีซักพอก ฉันใดการที่จะทำซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็ต้องใช้การซักพอกการซักพอกจิตนี้เราเรียกว่าการเจริญจิตตภาวนาการพัฒนาจิตใจให้เป็นจิตใจที่สะอาดเป็นจิตใจที่ผ่องใส ต้องใช้การซักพาอด้วยการปฏิบัติจิตภาวนานี่คือวิธีการดับความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะนำเอามาสั่งสอนให้กับท่านผู้ที่มีความทุกข์ใจท่านที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจ ให้เอายาธรรมโอสถสามชนิดนี้เอาไปรับประทาน<ม>เอาไปปฏิบัติ<ม>การรับประทานการรักษาโรคทางจายนี้เป็นการรักษาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเ<ม>พราะยาธรรมโอสถนี้ไม่ได้เป็นเหมือนยาทางร่างกายที่จะต้องใช้ดื่มหรือใช้รับประทานเข้าไปในร่างกาย ยาธรรมโอสดที่จะเอามาใช้รักษาใจนี้การที่จะเอายาธรรมโอสดเข้าสู่ใจได้นี้ต้องเอาเข้าสู่ใจด้วยการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจนี้เองเช่นการที่เราจะดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปต่างๆได้รเราก็ต้องรักษาศีลกันนี่คือวิธีที่จะนำธรรมโอสด เข้าสู่ใจเพื่อมาระงับดับความทุกข์ของใจที่เกิดจากการกระทาบาปเช่นเวลาที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเราจะรู้สึกทุกเวลาที่เราไปลักทรัพย์ของผู้หรือเราไปประพฤติผิดประเพณีหรือเราพูดปดอันนี้เป็นการกระทาบา ที่เราจะต้องละให้ได้ถ้าเราต้องการกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระ ท, ทําบาปถ้าเปรียบเทียบกับเชื้อโรคทางร่างกายก็เหมือนกับถ้าเราติดเชื้ อ, อเราก็ต้องกินยาปฏิชีวน ะ, ะเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อที่มาสร้างความไม่สบายให้กับร่างกายฉันใด เชือที่มาทำให้ใจเราทุกข์ก็คือการกระทำบาปต่างๆนี่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดอันนี้เป็นการกระทำบาปและให้เราละเว้นการกระทำที่จะมาช่วยให้เราทำบาปได้ง่ายเวลาที่เราดื่มสซรายาเมาแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี้ เราจะไม่มีสติพอที่จะคอยยับยั้งเวลาที่เกิดอารมณ์ไม่ดีแล้วใจคิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางการทาบาปถ้าใจไม่มีสติเนื่องจากเดิมของบุญเบาเช่นสุราใจก็จะไม่สามารถควบคุมการกระทำที่ไม่ดีได้ ต่างกับเวลาที่ใจไม่มึนไม่ได้ดื่มของมุนเมาใจจะมีสติสัมปชัญญะที่จะมีกำลังระ ง, งับหยุดความคิดที่ไม่ดีได้เวลามีอารมณ์ไม่ดีและคิดที่จะไปทำบาปถ้ามีสติไม่มึนเมาก็จะมีกำลังที่จะยับยั้งการกระทำบาปได้สุราการไม่ดื่มสุราเลยเป็นข้อที่ ต้องเอาเข้ามาอยู่ในศีลห้าด้วยแต่ตัวการดื่มสลาเองนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปเพราะว่าการกระทำบาปนี้หมายถึงการที่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น mm hmm. เช่นเราไปฆ่าสัตว์นี้เราก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับสัตว์ที่เราไปฆ่าถ้าเราไปลักทรัพย์เราก็ไปสร้าง mm hmm. สร้างความทุกข์ให้กับเจ้าของทรัพย์ ถ้าเราไปพูดผิดประเพณีเช่นไปมีชู้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นเราก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นเขาถ้าเราพูดโกหกหลอกลวงเขาเราก็จะทำให้เขาทุกข์เขาเสียใจเพราะเขาจะจะทำให้เขาเสียประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการพูดตดของเรานี่คือการกระทำบาป ที่จะทำให้ใจของเราทุกข์แต่การดื่นสุราตามลำพังนี้ยังไม่เป็นบาปแต่เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปได้ง่ายเพราะเหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีเบรก<ม>เวลาถ้าเบรกของเราเสียนี้เราจะไม่กล้าขับรถไปที่ไหนมาไหนเพราะเรารู้ว่าเวลาที่จะต้องหยุดรถนี้ถ้าไม่มีเบรกหยุดไม่ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องเกิดอุบัติเหตุรถก็จะต้องชนกัน เราก็ต้องไปซ่อมเบรกก่อนก่อนที่เราจะขับรถไปไหนมาไหนด้วยความมั่นใจด้วยความปลอดภัยเราต้องรู้ว่าเรามีเบรกที่จะหยุดรโยน์ของเราเราได้ในเวลาที่เราต้องการฉันใดถ้าเราดื่นสุราแล้วก็เหมือนกับเราทําให้สติที่เป็นเหมือนเบรกของใจนี้เสียไปไม่มีความสามารถที่จะหยุดความคิดของใจได้ ถ้าคิดอยากจะไปฆ่าก็จะไปฆ่าได้ทันทีเพราะไม่มีสติขอยยับยั้งไว้<ม>สุราซึ่งไม่ใช่เป็นการกระทับบาปโดยตรง<ม>เลยถูกบัรจุไว้ในสีนห้าด้วย<ม>สุลานี้เรียกว่าอบายา ม, มุกอบายามุกก็คือการกระทําที่พาให้ใจนี้ไปอยู่ปากประตูของอบาย ปากประตูของอบายอบายคืออะไรอบายคือภพชาติของผู้ที่กระทําบาปเป็นภพที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขทมีอยู่สด้วยกันอบายสี่ได้แก่ภพของเดลฉ า, านภพของเปรตภพของอสุรกายและภพของนรกนี่คือที่ไปของใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าได้กระทําบาป และบาปเป็นผู้ที่มีกําลังมากกว่าบุญบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจนี้ให้ไปเกิดในในบายทั้งสี่พบใดพบหนึ่งนี่คืออบายคําว่าอบายอบายามุกก็คือทางเข้าออกมุกแปลว่าทวาวรทางเข้าทางออกใครก็ตามถ้าไปยืนอยู่ใกล้ทางเข้าทางออกแล้วโอกาสที่จะเข้าไป อบายมันก็จะง่ายถ้าไปอยู่ห่างไกลจากประตูทางเข้าโอกาสที่จะเข้าไปในอบายก็จะยากกว่า mm hmm. ถ้าเราไม่เสพอบายามุกนี่มันก็จะช่วยป้องกัน mm hmm. การกระทําบาปให้มันทํายากขึ้น mm hmm. แต่ถ้าเราไปเสพอบายามกุกน mm hmm. อบายามุกนี้จะเป็นตัวผลักดันหรือเป็นตัวเสริมให้เราทําบาปได้ง่ายขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความปรารถนาที่อยากจะดับความทุกข์ของใจที่เกิดจากการกระทบาปนี้เราต้องอย่าไปเสพอบายามุกอบายามุกนี้ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันนอกจากสุราแล้วก็ยังมีการเล่นการพนันการเที่ยวเตะโดยเฉพาะการเที่ยวตามสถานบันเทิงที่มีการ <c oughs> ประพฤติผิดประเพณีหรือมีการดื่มสุรายาเมาเป็นต้น แล้วก็ความเกียดค้าน แ, แล้วก็การคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะคนที่ชอบอบายมุขเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายมุขเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราเล่นการพนันเขาชอบไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกับเขาถ้าเขาชอบความเกียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดคา ซึ่งการกระทำเหล่านี้มันไม่ได้ทาให้เกิดรายได้ขึ้นมามีแต่มีแต่สูญเสียรายจ่ายมีแต่สูญเสียเงินทองมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับถ้ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะไม่พอใช้เมื่อเงินทองไม่พอใช้แต่ยังยุดการใช้ใจ่ายไม่ได้ก็ต้องไปหาเงินทองโดยวิธีมิชอบ เช่นไปรักทรัพย์บ้างไปพ่นไปจี้ไปโกหกหลอกลวงไปชอบโอกงด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ก็การเสพอบายามุข ก, ก็คือเป็นวิธีหนึ่งที่จะผลักดันให้ผู้ที่เสพอบายามุขนี้ไปสู่การกระทำบาปนั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะป้องกันการกระทำบาปเราก็ต้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทั้งห้าอย่างนี้ อย่าไปดื่มสรายาเมาอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวอย่าไปมีความเกลียดคร้านและอย่าไปมั่วสุมกับคนที่ชอบอบายามุขมันก็ช่วยมันก็จะทำให้การกระทำบาปนี้ยากขึ้น<ม>และอีกวิธีหนึ่งที่จะป้องกันการกระทำบาปไม่ให้เกิดขึ้น<ม>ก็คือการ มีฮิลิโอตปาฮิลิก็คือต้องเป็นคนที่มีความความอายไม่ใช่คนหน้าด้านคนหน้าด้านนี้จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวกับการกระทําบาปคือไม่สนใจกับการครหานินทาการตําหนิตีเตียนของคนคนดีทั้งหลายเขาจะเป็นคนหน้าด้านเขาไม่สนใจแต่ถ้าเราเป็นคน ที่ไม่น่าด้านเป็นคนที่มีความยางอาย<ม>เราไม่ต้องการให้ใครมาตำหนิติดเตียนในการกระทำความชื่วของเรา<ม><ม>เราก็จะเราก็จะพยายามไม่ทำบาปถ้าเรามีความยางอาย<ม><ม>แล้วคิรีแปลว่าความยางอายโอตรปะแปลว่าความกลัววิบากกรรมของบาปที่เราทำ<ม><ม>เพราะการกระทำบาปนี้มันมีวิบากมีผลตามมาม ผลก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกก็คือในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เวลาที่เราได้ทําบาปลงไปแล้วใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่เชื่อลองไปทําดูลองปขโมยเงินของใครก็ดูแลดูสิว่าใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่หวาดกลัวไม่ระแวงรอป้ปนเวลาทาบาปเนี่ยใจจะเริ่มหวาดกลัวหวาดระแวง กับผลของการทำบาปพราะรู้ว่าเมื่อเมือม่อทำผิดแล้วมักจะต้องมีการจับไปลงโทษทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้โทษภายนอกอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้รับก็ได้เช่นถ้าเราไปทำบาปแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราทำบาปก็ไม่มีใครไปแจ้งความไม่มีใครไปแจ้งตำรวจก็จะไม่มีตำรวจมาตามจับเรา แต่ผลทางใจนี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่ก็ตามถ้าเราทำบาปแล้วเรารู้แก่ใจของเราเองว่าเราได้ทำบาปแล้วเมื่อรู้แล้วทำไปแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความไม่สบายใจขึ้นมาเวลาจะอยู่จะไปไหนมาไหนก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งเขาไม่รู้เรื่องของเราเพียงแต่เห็นเขาเดินมาหาเราก็เราก็จะตกใจขึ้นม า, ท, าทันที อันนี้เป็นเพราะว่านี่คือวิบากกรรมของการทำบาปคือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่ก็ตามส่วนเรื่องของการจับไปลงโทษนี้อันนี้ไม่แน่นอนอันนี้อาจจะถูกจับก็ได้อาจจะไม่ถูกจับก็ได้อาจจะหนอีอาจจะหนีก็ได้แต่ไม่ว่าจะหนีไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่นั่นอันนี้คือ โอตปะปคือต้องให้เห็นโทษของการทำบาปว่ามันจะทำให้เรามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจแล้วถ้าเราเชื่อเรื่องบุญกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องเรื่องภพต่างๆพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าถ้าเราตายไปแล้วแล้วถ้าบาปเป็นผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจบาปนี้ก็จะพาให้เราไปเกิดในอบายในช่วงที่เราไม่มีร่างกาย เราเป็นดวงวิญญาณเราก็จะเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเช่นเปรตบ้างอสูรลกายบ้างหรือนรกบ้างถ้าเราได้ไปได้ร่างกายเราก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน mm hmm. เพราะนี่คือวิบากกรรมคือผลของการกระทาบาป ท, ที่จะตามมา mm hmm. ถ้าเรารู้ถึงผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราจากการกระทาบาปนี้ mm hmm. เราก็จะเกิดความกลัวขึ้นมา mm hmm. เกิดโอดตปะขึ้นมา เมื่อเกิดโอตระปะหรือเกิดความละอายในการกระทำบาป<ม>เราก็จะไม่กล้าทำบาปทุกครั้งที่ใจเราคิดจะไปทำบาปเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้มาช่วยยับยั้งได้<ม>ถ้าเรามีความปรารถนาที่อยากจะรักษาความทุกข์ให้หมดไปที่เกิดจากการกระทำบาป<ม>เราต้องหมั่นเจริญทีรีโอตระปะแล้วพยายามอยู่ห่างไกลจากอบายามุขอย่าไปเสพอบายามุข อย่าไปดื่มสุรายามาอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ<ม>อย่าไปมีความเกียจคร้านให้มีความขยันหมั่นเพียรในภารกิจหน้าที่การงานต่างๆแล้วก็อย่าไปมั่วสุมกับพวกที่ชอบอบายมุข<ม>อันนี้จะช่วยให้การรักษาโรคความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทบาบาปนี้รักษาได้ง่ายและรักษาได้เร็ว เมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเวลาลายไปดวงวิญญาณของเราก็จะไม่มีบาปที่จะมาผลักดันให้ใจเราไปรับผลในอบายทั้งสี่อันนี้คือเรื่องของการดับความทุกข์ทางใจข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้านำม า, มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราให้พวกเรานามาปฏิบัติกัน ส่วนข้อที่สองคือให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นการชำระกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราทางกายและทางวาจาก็กจากการกระทาถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลนี้กิเลสตัณหามันจะชอบดึงให้เราไป หาความสุขจากการไปเสบลูกเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นการไปหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลาเสพแล้วมันจะติดเวลาที่ไม่ได้เสพมันจะทุกข์ เวลาเคยเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวมันจะทุกข์<ม>เวลาเคยไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆ<ม>เวลาไม่มีเงินที่จะซื้อมันจะทุกข์ง<ม>นั้นอย่าให้เราไปทำกิจกรรมเหล่านี้เพราะมันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขให้กับใจถ้าเราอยากจะหาความสุขให้กับใจโดยที่ไม่มีความทุกข์นี้ ให้เราหาความสุขจากการทําบุญทํากุศลต่างๆทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเช่นถ้าเรามีอะไรเหลือเฟือมีเงินทองเหลือเฟือเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรเราก็เอาเงินทองเหล่านี้ไปทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นซึ่งเราสามารถเลือกทําได้จะทํากับใครก็ได้จะได้บุญได้ความสุขเหมือนกัน เบื้องต้นท่านก็สอนให้เราทํากับผู้ที่มีพระคุณกับเราก่อนตอบแทนบุญคุณแสดงความกตัญญูกตเวทีทําบุญกับบิดามารดาผูญาตายายทําบุญกับครูบาอาจารย์ทำบุญกับผู้มีพระคุณของเราก่อนแล้วต่อไปเราก็เราก็ทำบุญกับพระพุทธศาสนาผู้มีพระคุณกับเราทางด้านจิตใจเพราะถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่มีผู้ที่จะมาสอนวิธีการกำจัดความทุกข์ทางใจวิธีสร้างความสุขทางใจให้กับเราเราก็ต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่อยู่ไปนา น, านๆเพื่อเราจะได้อาศัยคำสั่งคำสอนของพระพุทธศาสนามาช่วยกำจัดความทุกข์ทางใจของเราหรือเราจะไปทำบุญกับสถานที่มี ที่ทําคุณประโยชน์อย่างอื่นก็ได้เช่นโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลก็จะช่วยกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บไปทำบุญกับโรงเรียนก็ได้เพื่อที่จะสอนเยาวชนให้มีความรู้มีความวิชาความรู้มีความสามารถที่จะไปประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่ใช่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่สังคมก็ได้หรือจะไปช่วยกับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากก็ได้ เช่นเวลามีเหตุภัยต่างๆเวลาน้ําท่วมเวลาไฟไหม เ, ออเวลามีพายุมีอะไรที่เกิดความเสียหายทําให้เกิดความเดือดร้อนทางด้านทรัพย์สินไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มียารักษาโรคไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มีอาหารออการที่เราทําบุญด้วยการช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความสุขให้เรามีความสุขใจ และเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เพราะไม่ใช่เป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที э <c ười> ่เราไม่ได้ทําบุญเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาทานใจไม่เหมือนกับเวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเราจะรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เรามาหาความสุขจากการทาความดีต่างๆทาบุญทากุศล สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เขาได้รับความสุขบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางร่างกายให้ให้น้อยลงไป mm hmm. เมื่อเราได้ทำให้เขามีความสุขลดความทุกข์หรือกำจัดความทุกข์ให้กับเขาได้เราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดพภะชนิดต่าง น, นี่คือวิธีที่สองของการกำจัดความทุกข์คือเราอย่าไปเสพรูปเสียงกลิก่นรสจันอยาบาความสุขทางการารมณ์เพราะการารมณ์เหล่านี้เป็นการเป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้เรามาเสพ บ, บุญกันให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลกันเพราะการทาบุญทากุศลนี้ไม่เป็นยาเสพติด จะไม่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรู้ทุกข์ใจเวลาที่เราไม่ได้ทำบุญเพราะบุญที่เราได้ทำนี้ยังมีอยู่หล่อเลี้ยงในใจของเราอยู่ทำให้ใจของเรานี้ไม่หิวโหวยกับการที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงทำให้เราไม่มีความทุกข์<ม>เวลาที่เราไม่ได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ดีไม่ได้ไปทำบุญอะไรก็ดีเราจะไม่รู้สึกทุกข์กับอะไร เพราะเรามีบุญที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ไปเรื่อยๆบุญที่เราทำนี้มันไม่ได้หายไปทันทีไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเสพปุ๊บเดี๋ยวมันก็หายไปละไปเที่ยววันนี้พรุ่งนี้ก็หายไปละพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวอีกไปกินไปดื่มอีกแล้วถ้าไม่ได้ไปกินไปดื่มไปเที่ยวก็จะงดหยดเกิดความทุกข์เกิดความลำคาญใจขึ้นมาอีก พราะพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสให้มาหาความสุขจากการทำความดีกันเพราะจะทำไม่ให้เกิดมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมาแล้วข้อที่สามที่เราจำต้องทำต่อก็คือเราต้องมากำจัดกิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ การละการกระทำบาปละการทำบุญไม่ได้ยังไม่ได้กาจัดเพราะเป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดที่จะต้องใช้การกาจัดด้วยการซักพอกใจ mm hmm. การซักพอกใจจ mm hmm. ึงจะสามารถกาจัดกิเลสตัณหาชนิดละเอียดชนิดที่ฝังลึอกอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ mm hmm. การกระทำบาปนี้การไม่ทาบาปนี้กาจัดกิเลส ท, ที่ ท, ที่ที่จะผลักดันให้ใจไปทาบาปได้ การทำบุญทำกุศลก็กำจัดกิเลสที่อยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่ยังมีกิเลสที่มันละเอียดกว่านั้นที่ยังมีฝังอยู่ในใจความโลภความอยากที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบาปหรือของเรื่องของการทำบุญก็ยังมีอยู่อันนี้เราก็ต้องใช้การกำจัดด้วยการซักพอกใจ เครื่องซักฟอกใจวิธีซักฟอกใจทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าการภาวนาหรือจิตตะภาวนาภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตแปลว่าใจแปลว่าจิตก า, การพัฒนาจิตด้วยการซักฟอกจิตคือการชำระกิเลสชำระความโลภความโกรธ ค, ความหลงที่ละเอียดที่การทำบุญให้ทานและการรักษาศีลไม่สามารถกาจัดได้ การกำจัดได้ต้องอาศัยการภาวนาคือการภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาเรื่องต้นนี้เราต้องทำที่สมถะภาวนาก่อนเพราะเป็นวิธีที่ที่ง่ายกว่าวิวปัสนาภาวนาและเป็นวิธีที่จาเป็นต้องมีก่อนที่จะไปสู่วิธีวิปัสนาภาวนาได้ าถ้ายังไม่มีสมถะภาวนาใจจะไม่มีกำลังที่จะไปจะปฏิบัติขั้นวิปัสสนาภาวนาได้ก็เหมือนกับการศึกษาเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้เราต้องเรียนจบระดับมัธยมก่อนถ้ายังไม่ได้จบมัธยมนี้จะไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนี้จะไม่สามารถสอบได้เพราะความรู้ยังไม่พอเพียง สันใดการปฏิบัติวิปัสนาภาวนาก็ต้องรอให้เราได้สมถะภาวนาก่อนสมถะภาวนาก็คือการระ ง, งับความโลภความโกรธความหโงความอยากไว้ชั่วคราวคือเหมือนกับการกดมนันเอาไว้เวลาที่เราทำสมถะภาวนาก็คือการทำสมาธินั่นเองใช่เวลาเรานั่งสมาธิเราก็ใช้สติคอยหยุดความคิดคอยระ ง, งับความคิด พอความคิดหยุดคิดกิเลสที่อาศัยความคิดเป็นเครื่องมือก็จะไม่สามารถทำงานได้แต่กิเลสไม่ได้ตายไปจากการหยุดความคิดพอเราเริ่มคิดพอเราออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดกิเลสความโลภความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่อันนี้สติหรือหรือสมาธิหรือสมถภาวนานี้ไม่สามารถกาจัดกิเลสได้อย่างถาวร เพียงจะกำจัดหรือหยุดมันได้เป็นพักๆเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นการตัดกำลังของกิเลสให้เบาบางลงได้<ม>เพื่อที่เราจะได้ใช้วิปัสสนาคือปัญญาซึ่งเป็นเหมือนอาวุธเป็นเหมือนมีดเป็นเหมือนปืนที่เราจะมาใช้ฆากิเลสตัณหาได้อย่างถาว<ม>เรเบื้องต้นเราต้องทําใจให้สงบให้มีสติให้มีสมาธิใ ห, าธให้มีโอเบขา พอใจเรามีสติมีสมาธิมีอุบเบกขาแล้วใจจะมีกำลังที่จะเอาปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบก็คือตารลักมาสอนใจว่าอย่าไปอยากในสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้เพราะสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้เป็นไตรลักษ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะทำให้เราทุกข์เมื่อเวลามันเปลี่ยนไป เป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราให้เห็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสตัณหาต้องการอยากได้ว่าเป็นตายรักจะทำให้เราต้องทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไม่กล้าไม่กล้าจะไปอยากไม่อยากจะได้ ท, ทันทีไม่มีใครอยากจะได้ความทุกข์ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้น มันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเราก็ไม่เอาดีกว่าอันนี้คือขั้นของปัญญาขั้นที่จะต้องทำต่อจากที่เราได้สติได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วเมื่อเรามีสติมีสมาธิ ม, ม, าธมีอุเบกขาแล้วเราก็สามารถใช้ปัญญาคือตายลักษณ์นี้มาสอนใจให้หยุดความอยากได้เพราะความอยากจะทำให้ใจทุกเวลาที่ไม่ได้ดังใจอยากและสิ่งที่เราอยากได้มันจะต้องเปลี่ยนไปหรือ หรือถ bon ้าไม่ไ <nước> ด้ดังใจอยากเราก็จะทุกข์ใจเฉะนั้นให้เรามาหยุดความอยากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นใจรักและความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอเรารู้อย่างนี้เราก็หยุดความอยากต่างๆพอหยุดความอยากต่างๆนี้ความอยากก็จะถูกหยุดอย่างถาวรหยุดด้วยปัญญาเพราะความอยากเกิดจากความหลงความไม่รู้ความจริงว่าเป็นทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์ พอรู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นเหตุของความทุกข์เราก็ไม่กล้าที่จะไปอยากอีกต่อไปเมื่อเราไม่อยากความทุกข์ก็จะไม่มีเกิดขึ้นในใจความทุกข์ต่างๆทุกชนิดก็จะถูกทําลายหมดสิ้นไปอย่างถาวรใจก็จะหายจากโลกของของความทุกข์ใจได้นี่คือธรรมะโอสถหรือวิธีการรักษาความทุกข์ทางใจที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้พระอริยสงสารุกทุกๆรูปมามา มอบให้กับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้นำเอาไปปฏิบัติคือให้ละการกระทาบาป ท, ทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมืม่อเมื่อคนไข้นำยาสามชนิดนี้เอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติทางกายวาจาใจแล้วความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสก็จะหายหมดไป ใจก็จะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปใจที่ไม่ทุกข์อีกต่อไปก็เรียกว่านิพพานนี่นี่คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้และคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมท น, นาให้พรอยะถาวาเลวาหาปุรา ป, าปริลปุเรนติสาขะลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิยุจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจจตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยถามะีโชติอะระโสยถาสะพีติโยวิวัจฉันโตสะพารโขวินัสสตุมาเตภวตวันตบายุสุขีทิพายุโกภวาอภิวาทานศีลิสะนิจจมุธาปจายโน จะตารธรรมวทันติอายุวันโอสุขังหาลาว์ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้ ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ470 YouTube พระสุชาติไลฟ์295 YouTube d r เ c h ร n ว e ชาน65วิทยุออนไลน์8 c l ับ h ฮ u s ์8หน้ากุฏิ170รวม1 1 6คะ่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย มีคำถามฝากถามจากหน้าพุติค่ะอยากทราบเหตุในการในการขยันภาวนาครับอยากทราบเลยนะเหตุในการขยันภาวนาก็ให้เห็นว่าความตายนี้อาจจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่รีบทําเสียเดี๋ยวเวลาตายเราก็จะหมดโอกาสโอกาสที่จะได้กลับมาทําภาวนาต่อไปอาจจะเป็นเวลานานเฉนั้นตอนนี้เราเหมือนกับมีโอกาสทอง เหมือนกับเวล า, าธนาคารเขาเปิดอนุญาตให้เราเข้าไปเอาเงินในเซฟของธนาคารได้แต่ก็มีเวลาจำกัดหนึ่งชั่วโมงเราจะนั่งเฉยๆไปทําอะไรอนุู่นแอี่ก่อนเลยว่าเราจะรีบเข้าไปขนเงินที่เขาก็เปิดให้เราไปหยิบธรรมะการภาวนานี่ก็เป็นเหมือนกับไปขนอนุญาตซับต้องรีบขนเพราะเวลามันเขาบอกไม่แน่นอนนะอะ อาจจะวันนี้พรุ่งนี้ก็หมดก็ได้ให้คิดถึงความตายอยู่บ่อยๆให้คิดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตชีวิตของเราไม่ว่าจะจะดีอย่างนี้ไปตลอดเกิด่ิกลี่การขึ้นมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็อาจจะทำไม่ได้ดังั้นตอนนี้ถ้าร่างกายเราพร้อมจะไปรออะไรให้มองเห็นว่ า, าของต่างๆในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรตายไปก็ออกไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียว ในงานที่เราภาวนาทรัพย์ที่เราได้จากการภาวนานี้เอาติดตัวไปได้หมดอริยทรัพย์อัในได้รีททำเชื่อคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k คุณพันนีค่ะปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันเช้าเย็นรู้สึกร่างกายมีแต่ทุกข์รู้สึกเบื่อทางโลกขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะก็รีบภาวนารีปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิด การเกิดทุกครั้งก็จะลองมาเจอความทุกข์ทางร่างกายทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกครั้งไปจะหยุดการมาเจอความทุกข์เหล่านี้ได้ก็ต้องเ ก, เกิดจากการปฏิบัติเดินโยกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปแต่ต้องทําให้มากทำให้เต็มที่ถึงจะได้ผลคําถามจากคุณวาสนานอกสุขเหนือทุกความสงบ ก, ก็ไม่ยึด ติดไม่สงบก็ไม่ยึดก็ไม่ยึดติดและสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาคือความหมายว่าปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างกระผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับอันใดก็ตามถ้ามันเป็นไปยล้าอย่าไปยึดอย่าไปติดอะไรที่มันเป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีดับในเราอย่าไปยึดไปติดเพราะยึดติดแล้วเวลามันเปลี่ยนไ ป, ม, นไปมันดับไปมันจะทําทให้เราทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดี มันก็เป็นอ น, นิจจังทั้งนั้นใบมันก่อยท่านปล่อยมันดับไปเหยียบไปหยาดยุ่งปับมันคําถามจากคุณนาวินผมนั่งสมาธิจนเจอกับความว่างโลกโปร่งเบาสบายคือธาตุรู้ใช่ไหมครับถ้าใช่ต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ทําทบ่อยๆทํำมากๆทาให้ทําทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องไปหาอะไรแล้วถ้าเป็นความสุข ถ้าเป็นความสุขแล้วมันจะดีมันจะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งตววคำถามจากคุณปิ่นแก้วกราบเรียนถามเจ้าคะ่ะราหุลแปลว่าบ่วงบ่วงที่เกิดขึ้นนี้รวมไปถึงครอบครัวใหมเจ้าคะบวงพันธนาการคือเราเอาใจไปผูกติดกับสิ่งนั้นไว้แล้วถ้าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่จะทำอย่างไรคะกำลังเล่ า, ลาออจากงานถ้าเลาอาจากงานถ้าเป็นงาน ถ้าเป็นหน้าที่ที่ยังลาไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปต้องโชาใช้กรรมต่อไปก่อนจนกว่าจะหมดหน้าที่คาถามจากคุณอัชราคำพูดที่ว่าการให้อภัยคนคือกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วคนที่ทำร้ายเราเขาจะได้ผลกรรมที่เขาทำได้ไว้หรือไม่เจ้าคะเราโตอตอบเขาไม่ได้เลยเพราะเขาคือคนในครอบครัวเราเองเจ้าคะอ๋อ กรรมหรือบาปของแต่ละคนนี้ทำไปแล้วมันมีผลมันนี้ผลทางด้านจิตใจเขาจิตใจเขาจะทุกข์จิตใจของเขาจะไม่สบายแล้วตายไปจิตใจของเขาก็จะต้องไปเกิดในอบายไม่ว่าเราจะให้อภัยเขาหรือไม่ให้อภัยเขามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงกรรมที่เขาทำไว้แต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็คือความทุกข์ใจเราเวลาเราโกรธเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบามใจเราร้อนใจเราจืนไม่ได้นอนไม่หลับ พอเราให้อภัยเขาได้ใจเราจะเย็นใจเราจะสบายคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือเราไม่ใช่เขาเ<ม>พราะเวลาเราโกรธเขาว่าค่าพยาบามจองเวียนจองทำนี่เราจะทุกทุกครั้งที่เราเจอเขา<ม>แต่ถ้าเราให้อภัยเขาแล้วเราจะใจเราจะเย็นใจเราจะเฉยคำถามจากคุณพนัสอยากทราบวิธีการเจริญเมตตาผมรู้สึกว่าผมมีความเมตตากับสัตว์ และคนที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ยังขาดความเมตตากับคนปกติครับอันนี้จริงๆไม่ใช่เป็นเมตตาเขาเรียกเป็นความกรุณาคือการปรารถนาที่อยากจะช่วยให้คนหนุ่มเขาพ้นทุกข์เรียกว่าความกรุณาเห็นสัตว์แล้วสัตว์เขาไม่มีอาหารกินไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็สงสารเขาอันนี้ไม่ใช่เมตตาเขาเรียกว่าความสงสารความเมตตาคือหมายถึงการมองคนว่าเป็นมิตรกับเรา เป็นเพื่อนเรางั้นพยายามมองทุกคนว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมีอะไรที่เราจะทําอะไรให้ต่อกันให้ความสุขต่อกันได้ก็ให้ทํากันอันนี้เป็นเรื่องของความเมตตาต่างจากความสงสารความสงสารนี่เราจะมองคนที่เขาด้อยกว่าเราคนที่เขาทุกข์ยากลําบากกับเราเราก็อยากจะช่วยเขาแต่คนที่เขาดีกว่าเราโดยกับเราเร า, oard, เราก็อาจจะไม่อยากจะช่วยเขา Yeah. ถ้าเรามีความเป็นมิตรไม่ว่าจะดีจะจนเราถือว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนเราทั้งหมด mm hmm. อันนี้เรียว่าความเมตตา mm hmm. คือมีความปรารถนาดีกับทุกคน mm hmm. ไม่ว่าเขาจะรวยกับเรารือจนกับเรา mm hmm. เราก็หวังให้เขามีความสุขหวังให้เขามีความเจริญ mm hmm. อันนี้เรียกว่าความเมตตา คำถามจากคุณสุกัญญาค่ะเวลาที่เราเห็นในสิ่งที่น่าสังเวชแล้วรู้สึกเวทนามาถึงตัวเองควรคิดอย่างไรในขณะนั้นให้ใจไม่เศร้าหมองเจ้าคะก็มองว่าเป็นกฎแห่งกรรมศาสตร์จังหลายมีกรรมเป็นของของตนกระทําทกรรมอันใดไว้บุญหรือบาป ก, ก็จะต้องเป็นผูลรับผลบุญผลบาปของเขาไปถ้าเป็นผลบุญเขาก็จะมีความสุขความเจริญถ้าเป็นผลบาปเขาก็จะมีความทุกข์ความเสียหาย อันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่อยากจะเจอกับเรื่องที่ไม่ดีก็อย่าไปทำบาปทำแต่บุญก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีคำถามจากคุณพีเคนั่งสมาธิดูลมหายใจไปแล้วเกิดเวทนา จิตไปดูเวทนาแทนแล้วก็ดึงมาลงที่ลมใหม่แล้วจิตก็ยังกลับไปดูเวทนาก็เลยดูเวทนาโดยทำใจปล่อยยอมรับความเจ็บเวทนาเริ่มเบาบางลงแบบนี้ถูกไหมครับถ้าปล่อยวางได้ก็ถูกถ้าไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่ปอยากให้เวทนาหายไวให้มันอยู่ไปเหมือนเสียงลมพัด ต, ตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ไปอยากให้มันหยุดเนี่ยเราจะไม่วุ่นวายไปทำไมแต่ถ้าเราอยากให้มันหยุดใจเราจะวุ่นวาย ดังนั้นปล่อยวางมันปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไปมันเป็นภาวะทางธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไปอยากจะไปควบคุมบังคับมันใจเราจะทุกข์ขึ้นมาังนั้นอย่าไปอยากอย่าไปควบคุมบังคับในสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้คำถามจากคุณคาเปโรคขอากาะถามหลวงพ่อผมเป็นศิษย์เก่าผู้รู้ยศสอสอและได้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะจากหลวงพ่อ ตอนนี้ผมปฏิบัติมา4ปีเตรียมตัวออกโบสถ์ไม่มีกําหนดศึกถือเป็นวาสนาเก่าใหม่ครับก็เป็นทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าก็มีแรงผลักดันให้เรามาทางนี้แล้วเราได้วาสนาใหม่ได้เจอได้เจอพระโรงเรียนของสมเด็จพระญาณนะสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระผู้ประเสริฐที่ให้ธรรมะกับเราเพิ่มเติมมันก็เลยเป็นวาสนาทั้งของเก่าและของใหม่ ถ้าเราไม่มีวัสนาเก่าเราอาจจะไม่สนใจในเรื่องของศาสนาก็ได้อาจจะไม่สนใจเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมต่างๆเราก็จะไม่เข้ามาหาคุณธรรมหาศีลธรรมแต่เนื่องจากเรามีวัสนาเก่าเราเป็นคนธรรมะธรร ม, มมันามาตั้งแต่อดีตพอเรามาเกิดในชาตินี้พอเรามาเจอเรื่องธรรมะเราก็ยินดีเราก็สนใจเราก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เห็นทางที่จะต้องทำต่อไปลรวก็ปฏิบัติต่อไป ันจะเรียกว่าเป็นวาสนาทั้งของเก่าและของใหม่ก็ได้คำถามจากคุณวิติงขอาการสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเพื่อนต่างชาติถามว่าพระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับมีความเชื่อหลังความตายว่าอย่างไรนักธรรอย่างไรถึงไม่ต้องการเกิดอีกรบกวนพระาอาจารย์อธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเจ้าคะตอนนี้เลยเหรอ ก็่เขาไม่ได้บอกตอนไหนใช่ไหมะไม่รู้จะพูดยังไงเขาต้องการถามอะไรนะเขาบอกว่าเพื่อนต่างชาติถามว่าพระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับมีความเชื่อหลังความตายว่าอย่างไรแล้วทำอย่างไรถึงไม่ต้องการเกิดอีกคำถามส่งมาตอนสา3โมงนาทีค่ะตอนนี้สามงคึ่ง Buddhism teaches about t h a t as something natural Something unavoidable. Once you are born, your body will be subjected to death sooner or later. To everybody, if you don't want to be if you don't want to die, don't don't take birth, don't be born. If you don't born, then you don't die. And the way to stop rebirth is to stop your cravings, your desire, your desire for happiness through your body. Causes you to have a body, to need a body, so you take birth, so you can use the body to find happiness for you. But if you can stop this desire to have happiness through your body, then you will not have to be reborn again. And the way to stop this cravings or desire for happiness to h r u g h the body, you have to learn a new way of making yourself happy. And a new way of making yourself happy without using your body is the way of meditation. You have to practice meditation, practice morality, and practice charity. If you can practice these three steps—charity, morality, meditation—you will find peace and happiness without having to have a body. Once you, not, once you can be happy without a body, then you will not take rebirth again. And when you don't have have when don't birth, then you you won't coming. คำถามต่อไปจากทาง Facebook คุณดวงเดือนค่ะมีคนถามว่าถ้าเราฆ่าสัตว์ชนิดใดเราต้องเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นขอบอกว่าถ้าเขาอยากเกิดเป็นคนเขาก็ต้องฆ่าคนหรือไม่เจ้าคะโยกับขอขามาโทษกับคำถามที่โยไม่มีคำตอบให้เขาเจ้าคะ่ะยัฆ่าคนหรือไม่ฆ่าคนก็ได้เกิดเป็นคนแต่ต้องไปใช้บาปก่อน ต้องไปใช้บาปลือใช้บุญก่อนแล้วถึงจะได้มาเกิดเป็นคนช่วงใดที่บาปกระบุญไม่มีกำลังส่งผลเราก็จะได้มาเกิดเป็นเป็นคนเป็นมนุษยแต่ช่วงไหนที่บาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะพาให้เราไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆถ้าข้าคนนี้ไม่ได้ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนทันทีต้องไปใช้กรรมในนรกก่อนต้องไปตกนรกก่อน เพราะว่าการฆ่านี้มักจะฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาทความเครียดแค้นความอาฆาตพยาบาทนี้จะทำให้ใจทุกร้อนเป็นหมืนไฟนรกขึ้นมาในเวลาตายไปใจจะต้องไปอยู่ในนรกก่อนจนกว่าบาปที่เกิดจากการฆ่ามันหมดลงใจก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ คุณวิตังเมื่อสักครู่ที่ขอให้พระอาจารย์เทพสังกิตตอบเข้ามาแล้วค่ะขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะแสงว่าเพื่อนฟังแล้วคำถามจากคุณสิริชัยกับเรียนถามพระอาจารย์ครับการทำสมาธิพิจารณาไตารักมีสติพยายามหยุดความคิดตลอดเวลาต้องเดินปัญญาอย่างไรต่อครับเดินไปเรื่อยๆจกันรเราจะปล่อยวางได้ปล่อยวางร่างกายถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์เพราะว่ามัน ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องปล่อยวางให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายถ้าเราปล่อยได้ไม่ทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคำถามจากคุณนิรุตเวลานั่งสมาธิควรตั้งกําหนดเวลาไหมครับหรือนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะนั่งไม่ไหวเวลานั่งสมาธิให้กําหนดสติอย่าไปกําหนดเวลา เพราะว่าถ้าไม่มีสตินั่งไปยังไงมันก็ไม่สงบจะนั่งนานหรือไม่นานไม่สําคัญการนั่งนี้เราต้องการผลคือความสงบใจจะสงบได้ต้องมีสติคอยกํากับใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเช่นให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเพียงอย่างเดียวถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะสงบ เวลาสงบแล้วเราก็อาจจะนั่งได้นานเพราะมันมีความสุขแล้วไม่มีความอยากจะลุกขึ้นมางนั้นอย่าไปตั้งเวลาให้ตั้งสติเพราะเวลาจะไม่ทำให้ใจเราสงบได้ใจการตั้งเวลาจะทำให้เราคอยดูนาฬิกาอยู่เรื่อยเฮ้ยถึงเวลาหรือยังถึงเวลาหรือยังมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบจากการนั่งสมาธิอย่าไปตั้งเวลาให้ตั้งสติ หมดแล้ยังคาถามโอเค okay. ถ้าหมดแล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมในที่นี้ใครอยากจะถามก็เชิญเข้ามาได้มาเอาไมโครโฟนไปถามหน่อยจะได้ยินเสียงไม่มีเหรอีมีอยากจะพูดไหีไ <S <S ถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนพอสมควรแก่เวลาก็ <S <S <ม>ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพพิจพิจารณาไปปฏิบัติ